เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่หกพศจิกายมพุทธศักราช5 5งเป็นวันพระวั น, วนะวนธรรมวัฒนาวันฝันธรรมวันที่ สาทุชนพุทธบริศัทได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆเพื่อที่จะมาทำภารกิจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบอบไว้ให้กระทาเพื่อเป็นการบำบัดความทุกข์และสร้างความถุกที่แท้จริงหน้าที่สีประการนี้มีอะไรบ้างหน้าที่ข้อที่หนึ่ง ก็คือให้สร้างบุญที่ยังไม่ได้สร้างหรือยังไม่มีให้เกิดขึ้นมา 2. ให้รักษาบุญที่ได้สร้างไว้แล้วไม่ให้หดหายไป 3. ให้ละบาปที่ยังละไม่ได้และสให้ป้องกันไม่ให้บาปที่ได้ละแล้วหวนกลับคืนมาอีก นี่คือหน้าที่สี่ข้อด้วยกันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้กับพุทธบริษัทสีเพราะเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขความสิ้นทุกข์ความปราศจากความวุ่นวายใจไม่สบายใจต่างๆเกิดจากการกระทําหน้าที่ทั้งสี่ประการนี้นั่นเอง ดังนั้นขอให้พวกเราจงเห็นความสําคัญของคําสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เราพึ่งได้ชั่วคราวเท่านั้นต่อไปเราก็จะพึ่งเขาไม่ได้แต่คาสอนของพระพุทธเจ้าคือธรร ม, มังสรรังกัจฉามีนี จะเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดเวลาทั้งในปัจจุบันและอนาคตไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราก็จะไม่ปราศจากที่พึ่งถ้าเราไม่มีธรรมมังสารนังกัจฉามิเรามัวแต่ไปพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิ่นรสโพสตภาพชนิดต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระองค์ทรงตรัสไว้ว่ามีเจริญก็มีเสื่อมได้เช่นมีเจริญลาบก็เสื่อมลาบได้เจริญยศก็เสื่อมยศได้มีสรรเสริญก็มีนินทาได้มีสุขก็มีทุกข์ได้ เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาไม่เหมือนเดิมไม่คงเส้นคงวาอยู่ตลอดเวลาเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปในทางเจริญก็มีเปลี่ยนไปในทางเสื่อมก็มีถ้าเราพึ่งสิ่งเหล่านี้เวลาเขาเสื่อมเราจะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่ง เวลาที่ลาบหมดไปนี้เราจะพึ่งอะไรเวลาที่ยศหมดไปเราจะพึ่งอะไรเวลาที่สรรเสริญหมดไปเราจะพึ่งอะไรเวลาความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผุดภทะพะหมดไปเราจะพึ่งอะไรเราก็จะพึ่งการกระโดดตึกตายกันนั่นแหละเป็นสลาณะที่พึ่งของพวกเรา ถ้าเราไม่มีธรรมังสารนังกัจฉามิกินยาพิษกันกระโดดติกตายกันนี่เป็นเพราะไม่มีธรรมังสารนังกัจฉามิพอสูญเสียสิ่งที่เคยยึดเคยติดเป็นที่พึ่งสูญเสียไปไม่สามารถที่จะหามาได้ใหม่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ จนถึงกับทนไม่ได้สมัยนี้แม้แต่โลกที่เจริญแล้วโรคที่โลคที่มีความมั่งคั่งในลาบยศสรรเสริญก็ยังมีคนฆ่าตัวตายอย่และฆ่าตัวตายด้วยความเห็นผิดเป็นชอบคิดว่าการฆ่าตัวตายนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาเช่นคนที่เป็นโรคมะเร็ง หมอบอกว่ารักษาไม่หาไม่ได้แล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนกี่วันเขาก็เลยเดี๋ยวนี้ใช้วิธีฆ่าตัวตายกันเพราะเขาไม่อยากที่จ ะ, ะเผชิญกับความเจ็บของร่างกายไม่อยากจ ะ, ะเผชิญกับความตายของร่างกายที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนเราทุกคนต้องเผชิญกัน และเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ร้ายกาจรุนแรงแต่อย่างใดสิ่งที่ร้ายกาจรุนแรงนี้ไม่ใช่ความแก่ไม่ใช่ความเจ็บไม่ใช่ความตายแต่ความหลงมิจฉาทิฏฐิต่างหาที่หลงไปพึ่งร่างกายจนไม่คิดถึงอนาคตของร่างกายว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่สนใจที่จะศึกษาคำสอนของนักปราช อย่างพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเรามาสร้างธรรมังสารนังกระฉามนี่กันเพราะถ้าเรามีธรรมังสารนังกระฉามนีแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่ทรมานจะไม่เดือดร้อนเสียด้วยซ้ำไปว่าร่างกายจะเป็นอะไรเพราะธรรมะนี้จะแยกใจออกจากร่างกายจะสอนใจให้รู้ว่า ใจไม่ได้เป็นร่างกายผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่ทรมานไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่เขาไม่บ่นเลยว่าเขาปวดเขาเจ็บเขาไม่บ่นเลยว่าเขาไม่อยากตายผู้ที่บ่นก็คือใจที่ไม่ตายที่ไม่เจ็บแต่ไม่รู้นี่แหละคือใจของปุตตุชนทั้งหลายเป็นอย่างนี้ ไม่รู้ว่าตนเองนี้ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ไปเดือดร้อนแทนร่างกายทั้งๆที่ผู้ที่เจ็บผู้ที่ตายคือร่างกายเขาไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยเขาไม่เคยบ่นไม่เคยว่าไม่เคยขอร้องอะไรทั้งนั้นมีแต่ใจนี่ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกลับมาบ่นมาวุ่นวายกับ ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็เพราะว่าไม่มีธรรมังสารนังกัจฉามิไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมไม่เห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่ใจใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นใจใจไม่มีวันตายใจไม่มีวันแก่ใจไม่มีวันเจ็บ นี่แหะถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมอยู่ภายในใจแล้วก็จะไม่หลงเหมือนกับเวลาที่ถ้าเราอยู่ในห้องที่มืดมืดถ้าเราไม่มีไฟเดี๋ยวเราก็เดินไปชนสิ่งนั้นเดินไปเตะสิ่งนี้ได้แต่พอเราเปิดไฟขึ้นมาในห้องเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆ ท, ที่มีอยู่ภายในห้องเราก็ไม่เดินไปชนไม่เดินไปเตะไม่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัว ฉั้นใดใจของพวกเราถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมอยู่ภายในใจแล้วใจของเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆว่าอะไรเป็นอะไรเห็นว่าใจไม่ใช่เป็นร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจเห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟ ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในร่างกายอันนี้เราเอาป้ายไปติดไว้เท่านั้นเองเวลาเกิดออกมาก็เอาป้ายไปติดว่านี่เป็นมนุษย์เนเป็นลูกของนายกนางขอมีพี่ชื่อว่านายขอมีน้องมีมีพี่มีปู่มีย่ามีตามียายอันนี้มันเป็นป้ายทั้งนั้นละมันไม่ได้เป็นของจริงของจริงมันเป็นเพียง ดิน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการสาสิบสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกิดแก่เจ็บตายอันนี้แหละเป็นของจริงกับไม่มองกันกลับไปมองของปลอมกันเป็นไปมองของไม่จริงไปมองว่าเป็นของเราเป็นลูกเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เป็นน้องเราเป็นสามีเป็นภรรยาของเรา พอะอะไรเป็นของเราแล้วเป็นอย่างไรก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่อยากจะให้มันจากเราไปมันก็ขัดกับความจริงเพราะความจริงก็คือไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดเวลาเรามาเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาชาติก่อนเราเคยมีอะไรมากมายกายกองเอามาไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวพ่อก็เอามาไม่ได้แม่ก็เอามาไม่ได้ ลูกหลานสามีภรรยาก็เอามาไม่ได้ลาบยศสรรเสริญต่างๆก็เอามาไม่ได้มาแต่ตัวเปล่าๆพอมาได้ร่างกายก็เริ่มอีกแล้วเริ่มว่าเป็นของเราอีกแล้วของฉันอีกแล้วร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราคนที่ให้กําเนิดเราก็เป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นพี่เป็นน้องเราว่ากันไปเราก็อยากให้เขาอยู่กับเราไปนา น, าน พอเขาไม่อยู่ก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแล้วได้อะไรจากการร้องห่มร้องไห้ก็ได้แต่ความทุกข์ทรมานใจและถ้าทนไม่ไหวก็กระโดดตึกตายเสยกนี่แหละคือผลของมิจฉาทิฏฐิของกาของความมืดบอดมิจฉาทิฏฐิก็คือความมืดบอดของใจไม่มีสัมมาทิฏฐิ ไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเหมือนกับอยู่ในที่มืดมองอะไรไม่เห็นเดินไปเตะอะไรเดินไปชนอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เปิดไฟพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาวัดเพื่อมาเปิดไฟกันเปิดแสงสว่างเรามีไฟอยู่ในใจแต่เราไม่ยอมเปิดกันชอบอยู่ในที่มืดกันพอเจอแสงสว่างก็เป็นเหมือนผีกลัวแสงสว่าง รีบหลบรีบซ่อนกันเวลาพระแสดงทำปั๊บนี่หลับสับสงบ ก, กันไปหมดไม่อยากจะฟังบางคนก็กลับบ้านเลยก็มีเนี่ยพวกผีงยงกลัวกลัวแสงสว่างกลัวความจริงกลัวเวลาพระพูดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายโอ้ใจสั่นไปหมดกลัวไปหมดกลัวจะตายทันทีทันใดนี่แหละ พวกผีเข้าใจั้ยพวกที่ชอบความมืดไม่ชอบความสว่างชอบความหลงชอบคิดว่าจะอยู่ไปนานๆชอบคิดว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละพอเจอความแก่ความเจ็บความตายก็ดิ้นเหมือนเหมือนปลาถูกน้ำถูกน้าร้อนถูกน้ามันเหมือนปลาที่โยนเข้าไปในกระทะดิ้นแบบนั้นนะเพราะ ไม่มีเกราะคุ้มกันไม่มีธรรมังสารนังกระฉามิไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมนะเพราะไม่สนใจที่จะทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำวันนี้พวกเราเป็นพวกที่ยังมีความสนใจยังมีความเชื่อยังทนนั่งฟังสิ่งที่ไม่อยากจะฟังไม่อยากจะเห็นสิ่งที่ไม่อยากจะเห็น แต่เห็นแล้วฟังแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาจะได้รู้จักวิธีหลบหลีกภัยต่างๆที่มันจะมาหาเราในอนาคตภัยคือความแก่คือความเจ็บคือความตายคือความพัดพากจากของรักของชอบทั้งหลายไปต่อไปจะต้องเสียของที่เรารักเสียเงินเสียทองเสียยศ เสียสันเสรสญเสียแฟนเสียสามีเสียภรรยาเสียพ่อเสียแม่เสียปู่เสียย่าเสียทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับมันจะค่อยๆเสียไปทีละชิ้นทีละอันสุดท้ายก็มาเสียร่างกายของเรามีใครไม่เสียบ้างร่างกายของเราแม้แต่บริษัทประกันชีวิตยังประกันไม่ได้เลย ประกัด บ, บริษัทประกันชีวิตนี่ควรจะเปลี่ยนชื่อใหม่เพราะว่ามันประกันชีวิตไม่ได้มันประกันประโยชน์ผลประโยชน์ของชีวิตได้อยู่เช่นประกันเงินทองที่เรามีอยู่ถ้าเราตายไปเขาก็จะเอาเงินทองนี้มาชดเชยให้กับคนที่เราอยากจะมอบเงินมอบทองให้กับเขาแต่ประกันชีวิตไม่ได้ ประกันภัยไม่ได้มีแต่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากการสูญเสียเกิดจากการพบกับภัยต่างๆเท่านั้นเช่นประกันไฟไหมเวลาไฟไหมบ้านก็มีเขาก็จะมาสร้างบ้านใหม่ให้เราประกันรถยนต์รถยนต์หายเขาก็หาคันใหม่มาให้เราแต่คันเก่านี้เขาไม่รับประกัน เ็าหามาให้เราไม่ได้เวลามันหายไปแล้วมันหายไปเลยเวลาบ้านเก่าไม้มันไหม้ไปหมดแล้วไม่มีใครมาประกันได้แต่ใจของเรานี้พระพุทธเจ้าประกันได้ว่ารับเราจะไม่ทุกข์กับการสูญเสียกับของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่แทนที่จะทุกข์กับมีความสุขสิว่าโล่งอกไปสัที ไม่ต้องมาคอยดูแลนั้นมีอะไรนี่มันจะมีแต่ความทุกข์ตามมาท้งนั้นเพราะมีแล้วมันก็ต้องหวงหวงแล้วก็หวงแล้วก็อยากอยากให้มีไปนานๆไม่อยากให้มันหายไปไม่อยากให้มันหมดไปเวลามันหายไปหมดไปก็ร้องห่มร้องห้าเศร้าโศกเสียใจเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา ถ้ารู้ว่าใครเอาไปก็ติดตามไปทวงคืนทวงไม่ได้ก็ฟ้องตำรวจฟ้องศาลกันให้วุ่นวายไปหมดนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่เห็นว่าจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบไปถ้ารู้ว่าต้องพัดภาคเตรียมตัวไว้ไม่ต้องไปอาศัยมันมากไม่ต้องไปยึดไปติดมันใช้มันเท่าที่จาเป็นใช้ได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ก็ไม่ถองใช้ เวลามันหายไปก็จะไม่เลือดร้อแต่เราไม่มีธรรมังสารนังกระฉามีกันเราก็เลยต้องไปพึ่งสิ่งต่างๆกันพึ่งสิ่งที่จะต้องหมดพึ่งสิ่งที่จะต้องจากเราไปกันเราจึงวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้มีมากมีน้อยก็วุ่นวายกันมีน้อยก็อยากจะมีมากมีมากก็อยากจะไม่ให้มันน้อย อยากจะให้มันมากอยู่เรื่อยๆแต่ของเหล่านี้ใครไปกาหนดมันได้ใครไปบังคับมันได้เวลามันจะน้อยมันก็น้อยเวลามันจะมากมันก็มากแต่ความจริงแล้วมันจะมากหรือมันจะน้อยใจของเราไม่ต้องมีมันก็ได้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างคอยมีมากขนาดไหนเป็นพระราชาเป็นลูกของพระราชามหากร์มีปราสาทสามฤดู มีบริษัทบริวารคอยรับใช้คอยบริการให้อย่างเต็มที่แต่พระองค์กลับไม่เอาเพราะรู้ว่ามันเป็นของปลอมเพราะรู้ว่ามันอาจจะหมดไปได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เกิดมีสงครามเกิดมีมีศัตรูจากเมืองอื่นมาบุกมาทำลายมาตีถ้าแพ้ก็หมดไป ถ้าถูกเข้ามาตีเมืองแล้วสู้เขาไม่ได้อย่างพมา่านี่มาตีกรุงศรีอยุธยานี่พอสู้เขาไม่ได้กรุงศรีก็เลยกลายเป็นกลายเป็นซากปลักหักพังไปถูกเผาหมดนี่เป็นเรื่องของทางโลกมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่แท้จริงคือธรร ม, มังสรรารนังกระฉามี เรากลับไม่พึ่งกันเรากลับไม่สร้างที่พึ่งอันนี้กันเราเลยต้องไปสร้างเราเลยต้องไปพึ่งต่างสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่พึ่งไม่ได้อย่างแท้จริงพึ่งได้เดียวๆตอนนี้พอพึ่งได้อยู่เดี๋ยวกลับไปบ้านเกิดขโมยขึ้นบ้านขึ้นมาทำอย่างไรก็ปวดหัวแล้วของหายเคยมีของใช้ก็ไม่มีใช้แล้ว หรือกลับไปบ้านไฟไหมไปถึงบ้านเหลือแต่ตอตะโกจะไปอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรคนที่มีธรรมะนี้จะไม่เดือดร้อนอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ใต้สะพานก็อยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็ตายก็ตายได้ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้พึ่งอะไรแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่พึ่งสำหรับคนที่มีธรรมะอยู่ในใจ เช่นพระพุทธเจ้าพระราหารนันนี้ท่านพึ่งอะไรท่านก็อยู่ตามมีตามเกิดอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามถ้ำตามเงื่อมผาอยู่ตามเรือนร่างอาหารกับบินทบาทมีอะไรก็กินไปตามมีตามเกิดยารักษาโรคมีอะไรก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันหวายมันไปมันจะอยู่ได้ก็อยู่ไป อยู่ไม่ได้เขาปล่อยมันตายไปไม่ช้าเขาเร็วก็ตายไปเหมือนกันต่อให้มีหมอวิเศษขนาดไหนมีโรงพยาบาลวิเศษขนาดไหนก็ตามก็าตายอยู่ดีไปดูโรงพยาบาลที่เสียเงินเยอะๆดูว่ามีคนไม่ตายบ้างไคนที่ไปรักษาโรงพยาบาลเหล่านั้นตายทั้งนั้น3่ะบาททุกรักษาทุกโรค ก, ก็ตายอยู่โรงพยาบาลดูหละก็าตายเหมือนกัน พามันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มายับยัง้งความตายได้เพราะพระพุทธเจ้าพระอาลหานท่านจึงปองกันหมดท่านยอมตายกันเพราะท่านรู้ว่าสิ่งที่ตายไม่ใช่เป็นตัวท่านตัวท่านนี้ไม่มีวันตายแม้ขณะ น, นี้พระพุทธเจ้าพระอาลหานทั้งหลายก็ยังอยู่เหมือนกันเมือนกันเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ตายตอนที่ร่างกายตายไปท่านไม่ได้ตายไปกับ ร่างกายท่านก็อยู่ได้อ ย, อยู่มาจนบัดนี้และอยู่แบบสบายไม่เหมือนกับพวกเราอยู่แบบวุ่นวายต้องคอยเลี้ยงดูร่างกายนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่ก็ต้องเลี้ยงดูแลต้องหายใจและเคยนับบ้างหรือเปล่า ว, ว่าตั้งแต่เราเกิดมานี้ถ้าเรานับลมหายใจของเราเข้าออกนี่เราหายใจเข้าออกกี่ครั้งลนะ ถ้าเป็นค่าค่าใช้จ่ายถ้าทุกครั้งหายใจยเข้าต้องเสียเงินบาทอย่างนี้ป่านนี้เราจะต้องเสียสักกี่ล้านบาทกันนี่แหละคือร่างกายที่เราต้องมาดูแลมารักษามาทุกแล้วรักษายัางไงดูแลอย่างไรในที่สุดมันก็แก่เจ็บตายไปไปเสียเวลากับมันทําไมทําไมไม่มาดูแลใจของเรา ทำไมเราไม่มาสร้างธรรมะที่เป็นที่พึ่งของใจกันมาสร้างธรรมะมาสร้างสรรณะมาสร้างที่พึ่งให้กับใจดีกว่าเพราะว่าไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับที่พึ่งของร่างกายหรือแม้แต่ร่างกายเองก็ต้องมีวันหมดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปนักปราชญ์จึงไม่สนใจกับการสร้างที่พึ่งทางร่างกายไม่สนใจกับ การดูแลรักษาร่างกายแบบเกินเหตุเกินผลท่านก็ดูแลไปตามเหตุตามผลเช้าก็บินทบาทได้อาหารอะไรมาก็กินไปตามมีตามเกิดยารักษาโรคถ้าไม่มียาฉันก็ดื่มน้ำปัสสวะไปก็ได้รักษาโรคได้เหมือนกันที่อยู่อาศัยไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีกุติไม่มีวัน ก็อยู่ตามเนินเนินร้างบ้างอยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่ตามถาม้ำตามเงื่อมผาบ้างก็อยู่ได้พอหลบแดดหลบฝนได้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มจีวรไม่มีใครถวายก็ไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามกองขยะผ้าที่เขาห่อศพทิ้งไว้ไม่มีใครอยากได้ไปเก็บมาแล้วก็มาตัดมาเย็บมาปะมาเย็บให้มันเป็นถืนใหญ่ แล้วก็เอามาซักมาย้อมด้วยน้ำฝาน้ำที่ต้มจากแก่นไม้ก็เป็นผ้ากาสาวพัสขึ้นมาแล้วอยู่ได้แล้วนี่แหละชีวิตของพระอารหันต์ของพระพุทธเจ้าท่านอยู่แบบนี้ท่านไม่มาวุ่นวายกับเรื่องปัจจัยสี่ท่านยินดีตามดีตามเกิดมักน้อยใครให้มามากน้อยเพียงไรก็เอาเพียงแค่ พออยู่พอกินเท่านั้นอย่างวันนี้ญาติโยมบอกอาหารวัดนี้เยอะแยะไปหมดแต่พระกินได้ักเท่าไหร่มันก็กินได้แค่อิ่มเท่านั้นแหละแล้วที่มันมากมันเยอะแยะเพราะใครเลรอก็เพราะญาติโยมนั่นเองะที่เอามาให้ถ enfin ้าญาติโยมไม่เอามาให้มันก็ไม่เยอะแยะจะมาโทษพระว่ามันเยอะแยะได้อย่างไรก็ญาติโยมเป็นคนเอามาให้เองแล้วญาติโยมก็มาโทษพระว่าอาหารวัดนี้เยอะแยะ เยอะแยะก็เพราะว่าญาติโยมามาเยอะแยะนั่นเองเพราะอะไรก็เพราะว่าญาติโยมอยากจะสร้างสรณะขึ้นมานั่นเองสร้างพุทธทางธรรมังสังขังสระนังกระฉาม่ขึ้นมาด้วยการทำบุญที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำทำบุญที่เรายังไม่ได้ทำเช่นเราทำแค่ครั้งละร้อยครั้งต่อไปก็ต้องทำครั้งละสองอ ย, อย่างนี้ถึงเรียกว่าทำบุญที่เรายังไม่ได้ทำ มัวแต่ทำาข้างละร้อยมันก็ได้เพียงแต่รักษาบุญที่เราเคยทำไ้แล้วมันก็จะไม่ก้าวหน้าไม่ใหญ่โตขึ้นมาถ้าอยากจะให้ที่พึ่งใหญ่ขึ้นมาสามารถปกป้องรักษาใจเราได้อย่างเต็มที่เราก็ต้องทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากร้อยก็เป็นสองร้อยจากสองร้อยก็เป็นห้าร้อยจากห้าร้อยก็เป็นพัน ทำไปจนกระทั่งมันไม่มีที่เหลือไม่มีอะไรจะทำแล้วนั่นแหะถึงเรียกว่าทาเต็มที่ถ้ายังมีเหลือยังทำได้ต้องทำไปเรื่อยทำแบบพระพุทธเจ้านะมีอะไรเท่าไหร่ท่านให้หมดเลยเวลาไปบวชท่านก็ไม่ได้บอกว่าขอเก็บประสาทสามฤดูไว้นะท่านให้หมดไม่สนใจเพราะของเหล่านี้มันเป็นเหมือนกับสมอเรือ เรือจะวิ่งเดินทางไปไหนมาไหนได้ก่อนจะออกเดินทางต้องถอนสมอเรือก่อนถ้าไม่ถอนสมอเรือนี้เรือไปไม่ได้เหมือนกันถ้าอยากจะไปนิพพานอยากจะไปหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยากจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป<ๆ>ก็ต้องถอนสมอเรือสมอของพวกเราก็คือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆนี่ ลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจํมูกเล่นกายพวกนี้แหละเรียกว่าสมอเรือของพวกเราถ้าเรายังไม่ถอนสมอเรือพวกเราจะไม่มีวันที่จะไปถึงพระนิพพานได้ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดจากการพัดพลาดจากกันได้ ดังนั้นขอให้เราพยายามทําที่พู้เจ้าทรงสอนให้ทําทําบุญให้มากทําเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่าทําให้น้อยลงไปบาปก็ละให้มากาเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกพูดปดมดเท็เสพสารยาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรความเกลียดคร้าน นี่คือบาปต่างๆที่เราควรที่จะละกันละแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปใช้บาปใช่กรรมละแล้วเราก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆละไปถึงพนิพพานในที่สุดได้เกิดจากการที่เรามาทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามากระทากันคือหนึ่งมาสร้างบุญที่เรายังไม่ได้สร้าง หรื อ, อยังไม่มีให้เกิดขึ้น 2. รักษาบุญที่เราได้สร้างไว้แล้วให้มีคงไว้ต่อไป 3. ให้เราละบาปที่เรายังไม่ได้ละและ 4. ให้รักษาป้องกันไม่ให้บาปที่เราได้ละแล้วขวนกลับคืนมาอีกนี่แหละเป็นเหตุที่จะทําให้เราได้ไปถึงพระนิพพานกัน ได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีลัตนตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ